4. ปาจิตติยกันจำนวนอาบัติในปาจิตติยกัน 1. ละสุนวัคสิกขาบทที่หนึ่งิงภิกษุณีฉันกระเทียมต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคำกลืน